วันนี้เป็นวันพิเศษนะนอกจากเป็นวันแม่นะของคนไทยละก็ยังเป็นวันหลวงพ่อของชาวสุกตน์หลวงพ่อคําเขียนสุวรรณโนนะท่านเกิดมาที่12สองสิงหาถ้าท่านอยู่จนถึงวันนี้ก็อายุแปดสิอปีวันนี้พวกเราที่ไปลูกศิษย์หลวงพ่อจะชวนกันไปทําความดีนะตามเจตนารมณ์ของหลวงพ่อนะก็คือการไปปลูกป่า ไปปลูกป่าที่ภูหลงนะก็จะมีลูกศิษย์จากหลายวัดในเครือข่ายอ่าบนหลังเขาเนี่ยนะสุกโตโด้วยวัดภูเขาทองด้วยนะรวมทั้งอ่วัดโปร่งช้างนะแล้วก็อีกสองสามวัดนะที่มีลูกศิษย์นาไปเป็นเจ้าวาดอยู่ก็นัดกันไปนะปลูกป่าเช้านี้หลวงพ่ออมเขียนะเคยกล่าวว่า ชีวิตของท่านเนี่ยมีสองด้านหรือสองสีกนะเสี้ยกเหนือคือการอนุรักษ์ป่าอีกซสีกเหนือคืองานสอนกรรมฐานอันแรกเป็นเรื่องของธรรมชาติอีกอันนึงเป็นเรื่องของธรรมะและธรรมะกับธรรมชาติเนี่ยมันก็แยกกันไม่ออกนะสำหรับชาวพุทธเนี่ยเพราะว่าคนเรานะจะปฏิบัติธรรมได้สะดวกก็ต้องอาศัยสถานที่สปายะ และสถานที่สัปะยะอย่างเนื้อคือที่สงบสงบนะก็คือป่าหรือธรรมชาติที่ร่มรื่นนะเรียกว่าลมมณียสถานเนี่ยอันนี้พระเจ้าก็ได้แสดงเป็นแบบอย่างแล้วนะว่าถ้าได้สถานที่ที่ร่มรื่นลมมนีนะการปฏิบัติธรรมก็ก้าวหน้าจนถึงขั้นพ้นทุกข์นะที่พระองค์ตัดสรุปสัมมาสัมพุธิญาณได้ก็เพราะการบําเพ็ญเพียรนะ หรือแม่น้ำดารันชราใต้ต้นโพนะซึ่งพระงองค์ก็ออกปากเองว่าเป็นสถานที่ที่เหมาะกับการทำความเพียรมีไพรสวนร่มรื่นน่าชื่นบานนะมีน้ำไหลผ่านนะน้ำไหลยเย็นใจนะอันนี้ป่านี้ก็เป็นลมมณยสถานนะอีกอย่างหนึ่งหนะ้าที่เกื้อกูลต่อการปฏิบัติธรรม นะไม่ใช่แค่นั้นนะถ้าเราเกี่ยวข้องกับธรรมชาติถูกเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมด้วยเหมือนกันนะการเกี่ยวข้องกับธรรมชาติอย่างถูกต้องก็เช่นไม่เบียดเบียนธรรมชาติรวมทั้งสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติอ่านะโดยเพราะป่าเนี่ยนะได้ปกปักรักษาพวกเราให้มีนะความปกติสุขมีความปลอดภัยนะจากอันตราย ทำให้ร่มเย็นนะป้องกันแดดร้อนหรือพายุฝนเนี่ยนะไม่ให้มารบกวนเรามากเนี่ยอันนี้เราก็มีความกระตันยูรู้คุณาการไปอนุรักษ์ป่าหรือการไปปลูกป่านี่ก็เป็นการปฏิบัติธรรมอย่างหนึ่งนะแล้วก็เป็นการทําบุตรด้วยนะพระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้ใดสร้างสวนปลูกป่าบุญของผู้นั้นย่อมเจริญนะทั้งวันและทั้งคืนนะ ถ้าเราปฏิบัติกับธรรมชาติอย่างถูกต้องเนี่ยเช่นปลูกต้นไม้รักษาป่านี่ธรรมะในใจเราก็เจริญงอกงามแล้วที่สาคัญถือว่าเรานะสามารถจะรู้ทำเข้าใจทำได้ก็จากการเรียนรู้สังเกตรธรรมชาตินะหลวงพ่อองเฉียนได้เขียนเอาข้อความที่เอามาคัดลอกไว้ในกระดาษไว้ในไม้แผ่นนี้บอกว่า ธรรมะเนี่ยก็คือตัวธรรมชาตินี่เองนะไม่ได้หนีไปจากธรรมชาติที่ตรงไหนนะคนเราเนี่ยสามารถจับ้นทุกได้นะด้วยการสังเกตธรรมชาติน ะ, ะเพราะฉะนั้นเนี่ยงานกรรมฐานของหลวงพ่อเนี่ยกับงานอนุรักษ์ป่าเนี่ยมันก็เลยเป็นเรื่องเดียวกันแล้วพวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์นะเมื่อถึงวันสำคัญอย่างนี้นะก็ควรที่จะได้ ทำความดีนะเพื่อสนองคุณของหลวงพอ่อนะและการสนองคุณที่ดีคือการปฏิบัติตามคําสอนของท่านนะรวมทั้งการเดินตามรอยท่านนะซึ่งอันนึงก็คือการอนุรักษ์ป่านะเรื่องการปลูกป่าหลวงพอ่อเขียนที่ท่านเป็นนักปลูกต้นไม้นะเรียกว่าตั้งแต่ตั้งแต่บวชใหม่ๆนะจนกระทั่งจนถึงระยะท้ายของท่านเนี่ยขนาดป่วยนะ เป็นมะเร็งเนี่ยท่านก็ยังไม่เว้นนะจากการปลูกต้นไม้ปลูกตามกำลังของท่านเพราะฉะนั้นนะวันนี้ก็เป็นโอกาสดีนะที่เราจะได้ม า, าไปปลูกต้นไม้กันนะเป็นการเจริญสตินอกเหนือจากการาทำความกตัญญูรู้คุณกับธรรมชาติด้วยถึงแม้ว่าฝนจะตกหรือแดดจะออกนะก็ ไม่เป็นอุปสรรคนะสำหรับการทําความดีในวันนี้นะเวลาเหนื่อยนะก็ให้มันเหนื่อยแต่กายนะใจไม่เหนื่อยนะเวลาแดดร้อนให้มันร้อนแต่กายนะใจสงบเย็นนะไม่ใช่ว่าเจอแดดร้อนแล้วโอ้ยไม่ไหวไม่ไหวไม่ไห ว, ไไหวปลูกป่าวันนี้ปลูกต้นไม้วันนี้ฉันจะไหวได้ยังไงแดดร้อนอย่างนี้อ่าอันนี้เรียกว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมแล้วน ะ, ะปฏิบัติธรรมเนี่ยคือว่า แดดร้อนนะมันก็ร้อนแต่กายนะนะเห็นทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นกับกายนะแต่ไม่เป็นผู้ร้อนนะกายร้อนแต่ไม่เป็นผู้ร้อนนะนะเวลาฝนตกนะกายเปียกนะแต่ว่าใจมันไม่ได้เปียกไปด้วยนะเวลาเหนื่อยนะมันเหนื่อยแต่กายเห็นความเหนื่อยนะแต่ว่าไม่เป็นผู้เหนื่อยนะอันนี้เราคือการปฏิบัติธรรมเป็นการเจริญสติน ะ, ะในกับของจริงเลยนะ เป็นการเอาสติมาใช้รับมือนะเหตุการณ์ที่ไม่ชอบเอามารับมือกับความทุกข์นะที่เกิดขึ้นให้มันให้มันทุกแต่กายนะแต่ใจสงบเย็นนอกจากการอนุนรักษป่าแล้วหลวงพ่อเขียนท่านก็ใส่ใจขนขวายกับการรักษาธรรมชาติบนหลังเขานี้ด้วยนะยท่านเป็นผู้ที่เริ่มธรรมยาตรานะตั้งแต่ปีส3 เพราะว่าท่านเห็นความเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติบนหลังเขาไม่ว่าจะเป็นภูเขาซึ่งเคยเขี้ยวมีต้นไม้ปกคลุมกลายเป็นเขาหัวโล้นหรือว่าปกคลุมไปด้วยหญ้านะพอถึงหน้าร้อนนี่ก็เหลืองไปหมดนะมันไม่เคียวเหมือนแต่ก่อนน้ำนี่ก็ที่เคยไหลแล้วก็ลึกกว้างมันก็แคบแล้วก็ตื้นแถมมีมลพิษอีกนะพื้นดินนะที่เคยมีชีวิตชีวามี มแมลงมีสัตว์เล็กๆน้อยๆที่ช่วยนะเติมโอชซนให้กับพื้นดินให้มันมีชีวิตมันก็กลายเป็นพื้นที่ที่แห้งนะเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่ตายแล้วเนี่ยเพราะว่าสารพิษนาน า, นาชนิดรวมทั้งการที่มันไม่มีพืชปกคลุมนะทำให้มันแข็งกระด้างหลวงพ่อท่านก็เลยจัดรณรงค์นะทุกปีเนี่ยเดินธรรมยาตาเปล่าประกาศให้คน บนหลังเขาด้วยรู้ว่าป่าไม้กำลังจะตายนะแม่น้ำล้มป่วยนะเพื่อให้คนได้ตื่นตัวนะอันนี้ก็เป็นงานาที่ท่านได้ริเริ่มมาไว้นะในช่วงท้ายๆของชีวิตท่านนะก่อนที่จะมรณภาพไปเมื่อสมปีที่แล้วทุกวนนี้ธรรมยาตราก็ยังทำอยู่ต่อไปนะปีนี้ก็จะเป็นปีที่18แล้วนะก็จะ จัดกันนะทุกปีนะหนึ่งถึงแปดธันวานะก็เป็นการปฏิบัติธรรมไปพร้อมๆกับการ อ, อนุรักษ์ธรรมชาติด้วยทำยังไง <c oughs> ทำยังไงนะใจเราจะสงบเย็นแม้แดดจะร้อนนะแม้กายจะเหนื่อยนะแต่ใจก็เป็นปกตินะอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมพร้อมๆกับการรักษาธรรมชาตินะเป็นงานที่ ส่งเสริมนะทั้งธรรมชาติและธรรมะไปพร้อมๆกันถ้าเราจะปฏิบัติธรรมแต่เราไม่ดูดายธรรมชาติอันนี้มันก็ไม่ถูกต้องนะถ้าจะเอาแต่ปฏิบัติธรรมแต่ว่าไม่สนใจการรักษาป่าไม่สนใจที่จะปลูกป่าให้มันจเจริญงอกงามอันนี้ก็ถือว่ายัางปฏิบัติธรรมบกพร่องอยู่นะเพราะว่ า, าไม่ ไม่มีความสำนึกในเรื่องความกตัญญูรูกคุณธรรมชาติหรืออาจจะเป็นเพราะว่าไปเข้าใจว่าการปลูกป่านะมันจะไปรบกวนการปฏิบัติธรรมนะมีคนที่เข้าใจแบบนี้นะมากทีเดียวนะที่จริงปลูกป่าเนี่ยมันก็เป็นการปฏิบัติธรรมอีกอย่างหนึ่งอย่างที่พูดไปแล้วนะนอกจากเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อส่วนรวมเป็นการแสดงความกตัญญูรูกคุณต่อธรรมชาติมันก็ยังเป็นการอาเอาสตินะ มาใช้ในการรักษาใจนะให้ปลูกป่าได้ด้วยความปกติสุขนะไม่รู้สึกรําคาญไม่รู้สึกเหน็ดเหนื่อยไม่รู้สึกร้อนรุ่มนะแม้ว่าธรรมชาติหรือว่าสิ่งว่าล้อมภายนอกมันจะไม่เอื้อเฟื้อเกือ้อกูลก็ตามนะถ้าจะหาความสงบในป่าบางทีมันก็ง่ายไปนะเพราะว่าเราต้องรู้จัก ร, รักษาใจให้สงบได้แม้ว่าเราจะออกไปนะ อยู่ภายนอกอย่างวันนี้หลายคนก็จ ะ, ะครกกบกำหนดน ะ, ะการปฏิบัติธรรมปิดคอร์สนะอยู่ที่นี่หกวันอาจจะรู้สึกว่าใจเริ่มสงบแล้วหลายคนวิตกว่าจะออกไปข้างนอกนะกลับไปบ้านกลับไปที่ทำงานออกไปสู่โลกกว้างจิตใจมันจะว้าวุ่นนะมันไม่จำเป็นนะโรคมันจะวุ่นยังไงใจไม่วุ่นก็ได้นะโรคมันจะร้อนยังไงใจสงบก็ได้ เพราะว่าเพราะว่าเรารู้จักนะรักษาใจด้วยการเจริญสติซึ่งก็ฝึกได้นะจากการที่ไปปลูกป่านี่แหละนะเออเราจะทําใจของเราให้สงบได้อย่างไรนะแม้ว่าแดดจะร้อนนะแม้ว่ากายจะเหนื่อยนะอันนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดอย่างหนึ่งนะที่เราควรจะรู้จักเอามาใช้นะวันนี้ก็จ ะ, ะคนที่จะไปปลูกปาก็จะ อ, ออกจากที่นี่ประมาณ9ก้โมงเช้านะ9โมงเช้าแล้วก็จะไปปลูกกันที่ภูหลงนะบนในแปลงที่จัดเตรียมมาไว้นะซึ่งทำอย่างนี้ต่อเนื่องมาทุกปีนะตั้งแต่ตั้งแต่ปี27แล้วมัง้งนะตอนที่หลวงพ่อยังไม่ ม, มรณภาพด้วยซ้ำนะสิสงิงหาเป็นเรื่องที่รู้กันนะในหมู่หลงลูกศิษย์หลวงพ่อวอ่าเราจะมาปลูกป่ากัน วันนี้หลายคนก็มาจากกรุงเทพหลายคนก็มาจากที่ไกลนะเพราะรู้กันนะโดยที่ไม่ต้องไปประกาศมากนะรู้ว่า12สิงหาแล้วนะเรานะจะมาปลูกป่าถวายหลวงพ่อนะหรือว่าปลูกป่าให้กับพระศ า, าสนานะไม่ใช่เฉพาะภูหลวงเท่านั้นนะจริงจริงมันปลูกป่าให้กับธรรมะในใจเราด้วยให้ธรรมะในใจเราจเจริญงอกงามจากการที่จะทำความดีจากการที่ได้เสสระ นะเพื่อส่วนรวมนะแล้วก็อย่างที่บอกไว้เมื่อตอนเช้าว่า23สิามสิงหาอันี่ก็เป็นวันมรณภาพของหลวงพ่อนะหลวงพ่อท่านมารณภาพประมาณตีห้าเราก็จะปฏิบัติธรรมข้ามคืนนะตั้งแต่ยี่สองทำวัดเย็นเสร็จแล้วก็ปฏิบัติข้ามคืนนะจนถึงทำวัดเช้าเลยนะอันนี้ก็เป็นการทำความดีนะ สนองคุณหลวงพ่อวันนี้เราทำความดีด้วยการรักษาฟื้นฟูนธรรมชาตินะอีก1ิวันข้างหน้าเนี่ยเราจะทำความดีด้วยการเสริมสร้างธรรมะในใจเรานะเราจะนะฝึกเพื่อคำจัดความหลงให้ออกไปจากจิตใจนะให้มีแสงสว่างเกิดขึ้นนะแก่จิตใจของเราก็ บอกลงหน้าเอาไว้นะแล้วก็ใครที่ว่างก็ลองดูหรืออาจจะรู้สึกว่าอยากจะท้าทายทดสอบตัวเองดูว่าจะทำได้ไหมบางคนนี่แค่ได้ยินก็ใจไม่สู้แล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วนะยังไม่ได้ทำได้ลองเลยก็ไม่ไหวแล้วนะแต่ที่จริงนะเดีย๋ยวว่าแต่ใจเราเลยนะกายเราก็น่าจะไหวนะถ้าว่าเราได้นะได้ทดลองดู ก็เป็นโอกาสดีนะก็ขอเชิญชวนอ่แล้วก็เตรียมรับพร